พระธรรมเทศนาแผ่นที่94าลำดับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่22สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าผู้แนะนำคือครูผู้รู้คือเรา วันนี้เป็นวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2559ที่หลวงพ่อลงมากรุงเทพคราวนี้ลงมาเมื่อวันที่20และวันที่21เมื่อวานในฉันที่สวนแสนธรรมฝ่ายอุบาสิกาที่เป็นที่เสียเจ๋งโคศกได้พูดให้พวกเราได้ฟังเพราะเป็นวันครอบรอบวันมรณะของ คุณยายอุไรวันที่เป็นหมอนะที่ผูผู้ที่ถวายถวายสวนแสงธรรมถวายกระองค์หลวงตาถวายที่ดินคุณโยมสากลที่เป็นสามีอาจารย์หมออุไรวันเป็นพันยาที่ได้ถวายที่ดินทั้งหมด20กว่าไร่ทั้งฝักฝั่งซ้ายและฝั่งขวา พระสงฆ์ก็ได้ลงมาอย่างพวกเราท่าน ท, ทั้งหลายที่เห็นในวันนี้แหละพระที่ไปฉันอยู่ที่สวนแฉียงธรรมเมื่อวานนี้วันนี้ก็ได้มาฉันที่นี่เมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่ อ, องคงจะได้ไปแสดงธรรมที่แบงค์ชาติวันนี้ท่านนิมนต์เที่ยงที่แบงค์ชาติหลวงพ่ อ, องคงจะได้ไปแสดงธรรมอยู่ที่นั่น แล้วก็คงจะกลับไปพักที่สวนแจงธรรมอีกแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันที่23ก็ฉันที่สวนแสงธรรมวันที่24เชา้าก็สันฉันที่สวนแจงธรรมแล้วก็พอฉันเสร็จแล้วก็มีการประชุมหารือบ้างนิดหน่อยจากนั้นก็คงจะกลับวัดตอนเย็นๆของวันที่24อันนี้ก็คือ พาระาศาธารกิจของหลวงพ่อที่ลงมากรุงเทพในคราวนี้ครั้งนี้นะและก็วันที่2 7่8เปเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนหลวงพ่อของไม่ได้ลงมาเพราะมันมันใกล้กันเกินไปถ้าจะอยู่ต่อไปก็ไม่ได้อีกเพราะมันเกินเจวันเพราะในพรรษาเพราะนั้นหลวงพ่อเขคงจะไม่ได้ลงเมาคงเดือนหน้าเด่๋หนะถ้าว่ามีอะไรนะเขาคงจะเป็นเดือนหน้าแต่เดือนนี้ขคงจะ ขึ้นไปคราวนี้เราคงจะหมดเดือนละเดือนเดือนสิงหานะแต่ว่าทท่ยยังไงก็ตามนะที่หลวงพ่อลงมาแต่ละครั้งมาเจอมาพบกับคณะทศไทยญาติโยมหลายห ล, ล, ล, ลายระดับคำว่า ร, ระดับนี่คืออะไรคือคือผู้เยาว์วัยผู้กลางวัยผู้สูงอายุนะแต่ถึงยังไงก็ตามนะเขาขอให้พวกเราทุกๆท่าน เป็นผู้โชคดีที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราได้ทำได้ดำเนินหรือว่าได้เชื่อได้เคารพนับถือเรื่มใส่อย่างนี้ถ้าว่าเราไปเกิดผิดที่ผิดทางผิดสถานที่เราก็คงจะไม่ได้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมอย่างที่พวกเราได้ปฏิบัติมานี้ อย่างพวกเราคิดดูซิเขาไปเกิดในสถานที่บางแห่งบางอย่างเราเขาุ็ไม่ได้เคารพนับถือพระพุทธ ศ, ศาสนาพอห่างไกลอันนี้แหะพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นลาบอันประเสริฐพรอเกิดขึ้นมาแล้วได้ประกอบคุณงามความดีได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นลาบอันประเสริฐให้ควาเป็นโชคผู้โชคดีอย่างประเสริฐนะพูดง่ายๆนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่าน อย่าตั้งความโชคดีของพวกเราให้หาขาดขาดห า, ายไปจากตัวของพวกเราเพราะว่าพวกเราได้ศึกษาแล้วได้ฟังแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราตนตระกูลของพวกเราคือพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในปัจจุบันที่พวกเรารู้จักที่เห็นท่านที่ ร่องรอยไปก็คือองค์หลวงตามาหาบัวที่ท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราท่านก็เน้นหนักเน้นหนาเลยว่าให้ให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะบาปปูนคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สูนตายแล้วเกิดอีกมรรคผลนิพพานมีอันนี้หลวงตามาหาบัวท่านก็ยืนยันให้กับพวกเราที่เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายได้ยินได้ฟัง แล้วพรท่านก็ยืนยันอีกว่าวิธีการดําเนินชีวิตดําเนินเข้าสู่มรรคผลนิพพานดําเนินอย่างไรท่านก็บอกให้ชัดเจนในธรรมเล็กกิจของท่านและนำธรรมเทศนาของท่านมากมายอย่างที่หลวงพ่อได้แจกหนังสือเมื่อกี้เนี่ยเรื่อว่าจิตตภาวนาเนี่ยนี่แหละหนังสือเรื่องนี้เป็นหนังสือเป็นกุญแจดอกหนึ่งสําหรับพวกเราให้ท่านทั้งหลายเปิดไปสู่ เรื่องจิตภาวนาคือหามรรคผลนิพพานหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พวกเราควรจะศึกษานะอ่านให้เข้าใจอ่านให้ทีทุ่นนะแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยนั่งภาวนามาก่อนอ่านดูแล้วก็ทม่ใหม่ๆก็คงจะไม่เข้าใจนะแต่ถ้าว่าพวกเรามีความไฟใจหรือว่ามีความพยายามอยากจะเข้าใจอยากจะศึกษานะก็ไม่เหลือวิสัยนะ แต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจรือว่าความสนใจของเรามีน้อยเราอ่านอ่านเข้าไปแล้วอาจจะงงอาจจะไม่เข้าใจพระนิษุก็ เ, เลยทาให้เราวางหนังสือทิ้งไปเลยเพราะว่าอ่านแล้วไม่เข้าใจอันนี้แปลว่าศรัทธาของเราเราไม่ไฝในการศึกษาไม่ไฝในการเรียนรู้นะถ้าพวกเราไฝในการศึกษาไฝในการเรียนรู้แล้วนะถึงจะอ่านไม่เข้าใจ นี่แหะคือหลักธรรมคําสอนของพุทธะนะไม่ใช่วิว ช, ชาในโลกนี้ไม่ใช่ว่าอ่านอันไหนจะเข้าใจทั้งหมดไม่ใช่นะเป็นภาษามนุษย์ก็จริงอยู่เป็นภาษาคนก็จริงอยู่แต่บางคํา บ, บางศัพท์นะมันก็เข้าใจยากนะอย่างภาษาสับกฎหมายอย่างนี้สั์หมอภาษาหมออย่างนี้เรียกว่าศัพท์หลายๆศัพท์หลายๆภาษานะเราก็ต้องได้ศึกษาอีกเหมือนกันภาษาธรรมะ ของพระพุทธเจ้าจะเป็นภาษาห่วยๆไม่ใช่ว่าใครทั้งทั้งหลายทั้งคนทั้งหลายจะเข้าใจทั้งหมดก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันต้องศึกษาถ้าไปถ้าผู้ใดไฟในการศึกษาไฝในการเรียนรู้แล้วก็สนใจเพื่ออยากจะรู้แนวทางสำหรับปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาสมัติท่านสอนอย่างไรสมัตคือทาจิตใจให้สงบ ท่านสอนอยังไงท่านเน้นจุดไหนเรื่องสมถทให้ท่านให้กําหนดอะไรกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุหายใจออกโทอันนี้เหลือกว่าสัมถทส่วนวิปัจนาการพิจารณาแยกแยะแยกส่วนแบ่งส่วนหรือพิจารณาร่างกายพิจารณาขันท่าอย่างเนี้ท่านพิจารณาอย่างไรอันนี้พวกเราถ้าห่วงว่าใยในการเรียนรู้การศึกษาอย่างที่ หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพวกเราก็จะเข้าใจในเมื่อเข้าใจแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติและเมื่อนํามาประพฤติปฏิบัติผลแห่งการปฏิบัติจะเป็นของพวกเราเองตีผู้แนะนําก็คือครูบาอาจารย์คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าวแต่พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติแล้วสมบัติที่ได้เป็นของเราเองพ่อแม่ครูบาอาจารย์กันเพียงแต่เป็นผู้แนะนําเป็นผู้บอกกล่าว เอ่อเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้นะเออในหลักธรรมคำําสอนว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้แต่พวกเราไปขุดขุมทรัพย์เมื่อเราได้ทรัพย์มานะค ร, ครูบาอาจารย์ท่านมันเอกแบ่งสรรปันส่วนนะเพราะท่านมีอยู่แล้วนะท่านมีอยู่แล้วท่านสมบูรณ์อยู่แล้วพวกเราได้มาก็เป็นสมบัติของพวกเราเองนี้ก็เหมือนกันท่นะพระธรรมคําสอนท่านนะ บอกมาในในหนังสือหรือทำมลเลกิตหรือ MP3 พก็ตามท่านอัดมาไว้ให้พวกเราศึกษาในเมื่อเราศึกษาแล้วนะเราก็ปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วสมบัติที่เราได้ปฏิบัตินั้นเป็นของเราพนะริพนพรไอ้พวกเราทุกๆ ท, ท, ท่านนะกนัตทตายาดโยมพวกเราได้เกิดมาในพบนี้ชาตินี้ได้เกิดมาในพื้นแผ่นดินไทย เ, เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน พระมาหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินของพวกเราท่านก็เป็นพุทธศาสนูประถมพก เ, เป็นผู้ำบำรงพระพุทธศาสนาทั้งพระบรมวงศานุวงศ์พวกเราก็นี่แหละพวกเราคิดดูสิว่าประเทศไหนที่ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินไม่มีพระบรมวงศานุวงศ์ไม่มีพระเจ้าแผ่นดินดูแลปกครองประเทศนั้นก็รู้สึกว่าพุทธศาสนาก็อ่อนแออย่างประเทศอินเดียหมดเลย พุทธศาสนาหมดจากอินเดียและก็ประเทศอื่นๆอีกอย่างอินโดมาเลเก็เหมือนกันหมดไปแต่ก่อนของอประเทศเราเนี่ยเเห็นไหม mm. พุทโธน ะ, ะมีะบบสถานที่พระพุทธศาสนานี่มีอยู่ เ, เต็มไปหมดดาดดื่นไปหมดเสื่องปลักหักพังของ ปูชนียสถาน์พุทธศาสนามีแต่พมา่าพม่อย่างเข้มแข็งนะแต่ที่ยังไงก็ยังอ่อนแอกว่าเมืองไทยเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีพระเจ้าแผ่นดิ น, นเมื่ออังกฤษมาปกครองแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็หมดไปแต่ยังเหลือแต่เมืองไทยเมืองไทยเป็นเมืองเอก ร, ราชมาตั้งแต่ดึกดาบรรพเพราะนมประเทศไทยจึงมีกฎระเบียบเรื่องหลักพระธรรมวินัยอย่างมีพระไตรปิฎกอย่างเข้มแข็งนะ แต่พูดที่อ่อนแอหรือว่ายอ่ยอหย่อนไปก็มีมีเหมือนกันแต่ถึงยังไงอันนั้นเป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์นี่อันไหนคือตัวเองชอบนั่นะยอ่ยอหย่อนไปตามกิเลสราคะโทสะโมหะโลกโกรธหลงของตนเองแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราได้ศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงได้ศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุพทธเจ้า ได้ศึกษาในหลักธรรมคําสอนขององคหลวงตามหาบัวนะในพวกเราเยึดแนวแถวองหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นธรรมที่ตรงนะหลวงพ่อว่านะที่หลวงพ่อได้ศึกษาดูแล้วนะเพราะท่านได้ทั้งปริยัติท่านไี่เป็นมหาและจากนั้นท่านก็ได้ลงมือปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นท่านได้ทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งปริยัติทั้งปฏิบัตินะแล้วก็ท่าน ยอมรับในตัวของท่านอีกว่าท่านได้ปฏิเวทท่านถึงที่สุดแล้วตามที่พระธรรมคำสอนประกาศว่าอย่ไงไในหลักธรรมท่านปฏิบัติได้สูงสุดแล้วจบแล้วผอาจารย์ของท่านอันนี้ท่านก็ประกาศในตัวของท่านอีกเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราศึกษานะศึกษาในแนวแถวโพงหลวงตามหาบัวเนี่ยอันนี้พวกเรายังเห็นมาหมา ด, มาดใหม่ๆเรียกว่า เป็นธรรมคำสอนที่เราเห็นอย่าง เ, เห็นตั้งตัวองค์ของท่านด้วยกับ<อ>พัดเกิเพิ่งจตินิลาพานไปเมื่อไม่นานเพราะนั้นขอให้พระขอให้คณะทศัทยาญาติโยมโลูกหลานทุกคนนะให้ศึกษาหลักธรรมะสรุปแล้วก็คือหนะลงตาครูบาอาจารย์ทวา่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะนรกสวรรค์มีจริงกรรมชั่วจะทาเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเราทำหลงไปแล้ว กรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังหลวงพ่อย้ำแล้วย้ำอีกเกือบพกกันเทศว้อยไรเพราะว่าหลักของพระศาสนาสอนให้เชื่อกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะทำชั่วแล้วจะได้ดีได้อย่างไรทำดีแล้วจะชั่วได้อย่างไรแต่บงบางคนยุคสมัยนี้เขาก็เบนเบนเบียง ป, ประเด็นไป ว่าทำชั่วกับได้ทีมีโถมไปใช่อันนั้นมันหลอกหลอกตัวเองเฉยเฉยหรอกอถ้าว่าเอาจริงๆแล้วความชั่วก็คือความชั่ววันยังค่ำนั่นแหละถ้าว่าเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ดันก็ตัวเองก็ผ่านไปสักเหมือนกับหลอกของหนีพลอสีอย่างนั้นแหะถ้าผ่านไปผ่านด่านเข้าไปได้ก็ว่าตัวเองฉลาดตัวเองเก่งแต่เมื่อเขาจับได้เมื่อไหรก็เมื่อนั้นแหะหน้าม้อยเลยใ เออถึงจะขอไปจับในต่างประเทศเหมือนกันนะั่นแหะเออมันผ่านมาได้ยังไงเออมันผ่านด่านมาได้ยังไงของผิดภาษีเนี่ยนั่นแหะเมื่อเขาจับได้ของมานะั่นแหะตาเลือกอีกเหมือนกันนะั่นแหะเพราะนั้นสิ่งชั่วอยาทำเสีเลยดีกว่านะถ้าเมื่อทําลงไปแล้วเมื่อความชั่วนั้นให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนายทำแตก่กรรมดี ดีทำดีพูดดีนะพระณัตถายาิโยมมาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรในตินา่าและก็พร้อมพร้อมกันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเจ้าของออบ้านคุณโยมพร้อมลูกหลานทุกคนนะสหธรรมิกรหรือว่าญาติธรรมทั้งหลายให้ทําบุญปุทิศส่นกุศลถึงคุณโยมคุณหลวงของเราและกลูกชายของท่านที่ ได้มรณะลงไปแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็มั่นใจว่าท่านไปสู่ความสุขชุ่กตินะเพราะจิตใจของท่านเป็นกุศล น, นะแต่ถึงยังไงพวกเรามาใช้สถานที่ของท่านเราก็น้อมจิตที่ส่วนกุศลต่อเอจ้าของสถานที่ส่วนหนึ่งเราโคตรที่ส่วนกุศลต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายของแต่ละท่านแต่ละคนถ้าหวัดดวงวิญญาณใดก็ตามมีสิทธ เออหรือว่าที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลข้าไปเจ้าจินดี อ, อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณ น, นั้นถ้าว่าท่านตกทุกข์ห้อยพ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วกขอห้ยมีความสุขจริงๆขึ้นไปเราเวลาเราทำเราเวลาเรารับพรนะเราต้องนึกในใจอย่างนั้นนะออต่อเ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร